พระทุไรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบห้าขุตตะกานิกายหัวข้อที่สี่อิติวุตตะว่าด้วยข้อความที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้อิติวุตตะนี้แบ่งออกเป็นสี่นิบาศหรือชุมนุมธรรมะสี่ส่วนในการย่อจะเลือกย่อนิบาศละห้าสูตรดังต่อไปนี้เอกนิบาศชุมนุมธรรมะที่มีหนึ่งข้อ ย่อความที่หนึ่งข้าพเจ้าคือพระอนุนได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคผู้อรหันต์ได้ตรัสคำนี้ไว้คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละธรรมะอย่างหนึ่งเราเป็นผู้ประกันพวกเธอให้ได้ความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งนั้นคือความโลภ ตรัสทํานองเดียวกันนี้ถึงโทสะคือความคิดประทุษร้ายโมหะหรือความหลงความโกรธมักขะหรือลบหลู่บุญคุณท่านและมานะคือความถือตัวย่อความที่สองข้าพเจ้าคือพระอานนท์ได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคผู้อรหันต์ได้ตรัสคำนี้ไว้คือ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้สิ่งทั้งปวงไม่ทำจิตให้คลายความกำหนัดในสิ่งนั้นไม่ละสิ่งนั้นก็ไม่ควรจะสิ้นทุกข์ได้และได้ตรัสทํานองเดียวกันนี้ถึงเรื่องมานะโลภโทสะโมหะความโกรธความลบหลู่บุญคุณท่าน สำหรับย่อความต่อไปจนถึงจบอิติุตตะกัทั้งหมดคำขึ้นต้นจะเป็นแบบเดียวกับข้อหนึ่งและสองที่ผ่านมาจึงละไว้ไม่ต้องกล่าวซ้ำอีกและอันโปรดทราบด้วยว่าจนจบอิติุตตะกั ต, กตมีคำขึ้นต้นแบบเดียวกันทั้งสิน้นย่อความที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นนิวรหมายถึง ธรรมะเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีเราไม่เห็นนิวรณอื่นแม้ข้อหนึ่งที่สัตว์ถูกนิวรณ น, นั้นหุ้มห่อแล้วยอมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานเหมือนนิวรณคืออวิชชาเลยอวิชชาคือความไม่รู้ย่อความที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นเครื่องร้อยรัดอื่นแม้ข้อหนึ่งที่สัตว์ถูกร้อยรัดแล้วยอมแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานเหมือนเครื่องร้อยรัดคือตัณหาเลยตัณหาคือความทยานอยากย่อความที่ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นองค์อื่นในวงเล็บองค์ขคุณแม้ข้อหนึ่ง ที่เป็นองค์ภายในของภิกษุผู้ยังศึกษาผู้ยังไม่ได้บรรลุอรหัตตผลปรารถนาธรรมะอันเกษมคือปลอดโปรง่งจากโยคะคือกิเลส ท, ที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพอันยอดเยี่ยมอันเป็นองค์ที่มีอุปการะมากเหมือนโยนิโสมนสิการคือการใส่ใจหรือการพิจารณาโดยแยบคายนี้เลยสาหรับองค์ภายนอก ตรัถึงการครบเพื่อนที่ดีงามทุกการนิบาทชุมนุมธรรมะที่มีสองข้อย่อความที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมะสองอย่างแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ค้องขัดเดือดร้อนในปัจจุบันตายไปแล้วก็หวังที่ไปอันชั่วหรือทุกขติได้ ธรรมะสองอย่างนั้นคือความไม่สำรวมอินทรีย์กับความไม่รู้ประมาณในโภชนะคืออาหารที่กินเข้าไปส่วนฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามสำหรับความไม่สำรวมอินทรีย์คำเต็มว่าไม่สำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายโดยใจความคือไม่ระวังตาหูเป็นต้น ย่อความที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสองอย่างเหล่านี้ทำความเดือดร้อนให้คือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทำความดีทำความชั่วไว้ผู้นั้นย่อมเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้ย่อมเดือดร้อนว่าเราได้ทำความชั่วไว้สำหรับธรรมะที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้ คือที่ตรงกันข้ามย่อความที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะสองอย่างย่อมเหมือนถูกนาไปตั้งไว้ในนรกธรรมะสองอย่างนั้นคือศีลอันชั่วทิฏฐิหรือความเห็นอันชั่วสำหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามได้แก่ศีลอันดีงามและทิฏฐิอันดีงาม ย่อความที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเพียรไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอันยอดเยี่ยมภิกษุผู้มีความเพียรมีความเกรงกลัวต่อบาปจึงเป็นผู้ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรุธรรมะ อันปลอดโปร่งจากโยคะอันยอดเยี่ยมย่อความที่หดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตรึกหรือวิตกสองอย่างย่อมมาสู่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมากคือความตรึกอันกเกษมหมายถึงไม่เบียดเบียนและความตรึกอันสงัดจากอากุศลธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีความไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดียินดีในความไม่เบียดเบียนความตรึกข้อนี้จึงมาสู่ตถาคตผู้ยินดีในความไม่เบียดเบียนโดยมากว่าเราย่อมไม่เบียดเบียนใครๆด้วยการกระทำนี้ไม่ว่าจะยังเป็นผู้สะดุ้งดิ้นรนด้วยกิเลสหรือว่าเป็นผู้ถาวรคือไม่ดิ้นรนเพราะละกิเลสได้แล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีความสงัดเป็นที่มายินดียินดีในความสงัดความตรึกข้อนี้จึงมาสู่ตถาคตผู้ยินดีในความสงัดโดยมากว่าเราละอกุศลได้แล้วเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายพึงอยู่อย่างยินดีในความไม่เบียดเบียนยินดีในความสงัดเถิด กานิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสามข้อย่อความที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุสามอย่างเหล่านี้คือรูปธาตุธาตุคือรู ป, ปรอรูปธาตุธาตุาคือสิ่งที่ไม่มีรูปนิโรธาตุธาตุคือนิโรธความดับย่อความที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหาสามอย่างเหล่านี้คือกาเมสนาการแสวงหากรมพระเวสนาการแสวงหาภพคือความมีความเป็นพรหมจริเยสนาการแสวงหาพรหมจันทร์ย่อความที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุสามอย่างเหล่านี้คือมังสะจักสุตาเนื้อทิพจักสุ ตาทิพ ป, ปัญญาจักสุตาปัญญาย่อความที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิสระนิยตธาตุหมายถึงาธาตุคือความแล่นออกหรือความพ้นไปนิสระนิยตธาตุสมประการคือเนฆัมมะการออกจากกามเป็นความพ้นไปแห่งกามทั้งหลายอารุ ป, ปะ ความเป็นของไม่มีรูปเป็นความพ้นไปแห่งรูปทั้งหลายนิโรธความดับเป็นความพ้นไปแห่งสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยย่อความที่ห้าดูก่อนภิสูตทั้งหลายบุคคลสามประเภทมีอยู่ในโลกคือหนึ่งบุคคลที่เสมอด้วยฝนที่ไม่ตกสอง บุคคลที่เหมือนฝนตกเฉพาะแห่ง 3. บุคคลที่เหมือนฝนตกทุกแห่งตรัสอธิบายต่อไปว่าผู้ไม่ให้ทานเลยเปรียบเหมือนฝนไม่ตกผู้ให้ทานแก่บางคนไม่ให้แก่บางคนเปรียบเหมือนฝนตกเฉพาะแห่งผู้ให้ทานแก่ทุกคนคือแก่สมณะพราหมณ์คนกัมพร้าคนเดินทางวันิภกยาจก เปรียบเหมือนฝนตกทุกแห่งสำหรับคำว่าว่านิพกกับยาจกอัตถกถาอธิบายไว้ว่ามีความหมายต่างกันว่านิพกคือผู้ขออย่างพันนาอนิสงของทานว่าจะให้ได้บรรลุผลดีอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนยาจกคือผู้ขอธรรมดาจตุ ก, การนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสี่ข้อ ย่อความที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายของที่เล็กน้อยด้วยหาง่ายด้วยไม่มีโทษด้วยมีสี่อย่างคือผ้าเพื้อนฝุน่นหมายถึงเศษผ้าที่เที่ยวเก็บตกในที่นั้นๆ 2. อ, อาหารที่หามาด้วยลำแข้งคือที่เที่ยวบินทบาดได้มา 3. โคนไม้สย่ยาดองด้วยน้ำมูดเน่า ตราบเวลาที่ภิกษุยินดีด้วยของเล็กน้อยอันหาได้ง่ายอันไม่มีโทษเราย่อมกล่าวความยินดีนั้นว่าเป็นองค์ของความเป็นสมณะแต่ละข้อของภิกษุนี้ย่อความที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะหรือกิเลสที่ดองสันดานของผู้รู้ผู้เห็น ไม่กล่าวสําหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นคือรู้ทุกข์สมุ ท, ทยัยเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธความดับทุกข์มัคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ย่อความที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมเหล่าใดไม่รู้ทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตามเป็นจริง สมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเป็นเพียงสมณะสมมุติพราหมณ์สมมุติไม่ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยความรู้ยิ่งอยู่ในปัจจุบันส่วนฝ่ายดีทรงแสดงตรงกันข้ามย่อความที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งตันหาสี่อย่างเหล่านี้ คือความเกิดขึ้นแห่งตันหาเพราะเหตุแห่งจีวรหรือผ้านุ่งหม่มบินทบาทคืออาหารเศนาสนะคือที่อยู่อาศัยภาวาพภาะวะความมีความเป็นและความไม่มีไม่เป็นย่อความที่ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกอันตถาคตรัสรู้แล้วตถาคต ก็ปลีกตัวได้จากโลกเหตุท wow ah ี่ทำให้โลกเกิดอันตราคตตรัสรู้แล้วตถาคตก็ละเหตุที่ให้เกิดโลกได้แล้วความดับแห่งโลกอันตราคตตรัสรู้แล้วตถาคตก็ได้ทำให้แจ้งความดับแห่งโลกแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกอันตราคตตรัสรู้แล้วตถาคตก็ได้เจริญข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับแห่งโลกแล้ว